โอมีลูกอย่างนี้ก็ทุกหน้าดวงไงนนะไอ้ทัาบสมบัติที่อุตส่าห์แสวงหามาทำมาหากินมาหวังใจเอาไว้ว่าจะเก็บให้ลูกให้หลานเกินลูกหลานเข้าไม่เอานี่็ความทุกข์ใจของพ่อแม่ อ, อย่างหนึ่งก็บอกว่าทุกข์ของคนมีทรา์ก็คือไม่มีใครรับทรย์ต่อนั่นแหละก็เลยกล่าวว่าพ่อข้าพระเจ้าได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างงามพอประมาณทีเดียวมีดวงเนตรดวงตาเหมือนดอกกาละเกต มัจจุราชฉุดคร่าเอาหญิงสาวคนนั้นซึ่งกำลังตั้งอยู่ในปฐมวัยยังไม่ทันได้บริโภคโภอสมบัติเลยพ่อเอ้ยเพื่อนหญิงข้าพระเจ้าตายไปเรียบร้อยแลว้วบอกว่าคอยบริโภคโภคกรัพยบบริโภคอะไรพ่ออมตายไปแล้วอะ่ะชายหนุ่มมีสดวรงงามมีใบหน้าผ่องใสหน้าดูหน้าชมมีวันณนะเรืองรองมือนทองคามีหนวดเคราละเอียดอ่อนดังเกสา เหมือนเกศรดอกคำฝอยแม้ชายหนุ่มเห็นป่านี้ก็ย่อมไปสู่อำนาจแห่งมรตาโยขอเดชะข้าพระ อ, องค์จะละกามละเรือนเสียแลว้วจากบวชขอโปรดอนุญาตให้ข้าพระ อ, องค์บวชเธอพระเจ้าค่ะเอออย่าไปคิดเนะ่าเดี๋ยวปีหน้าจะวางแผนจะทำอย่างนั้นปีโน้นปีโน้นปีโน้นมียมมยอมคนหนึ่งรู้จักกันดีเขามีลูกชายอยู่คนเดียวลูกชายเขาเป็นเด็กที่ดีมากที่สุดเลยในบรรดาเด็กทั่วไป ไม่สร้างความหนักใจให้พ่อแม่เป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายพ่อพูดคำสองคำนี่ก็ทําหมดละขยันเรียนตั้งใจเรียนถึงหัวไม่ดีมากแต่เป็นคนดีมากไม่เคยเละเทะเกเรเมาอะไรไม่มีสักอย่างดีมากทีน้เรียนปวชไปเข้าเรียนปวชที่โรงเรียนมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งทีนี้ก็กลับมาอยู่บ้านก็พ่อแม่เนี่ยวังใจหมายใจกับลูกชายคนนี้มาก โอ้ยเด็กเขาดีจริงๆเลยนะพ่อแม่เนี่ยไปที่ไหนใครก็ชมอ่ะนะว่าเป็นคนเรียบร้อยมารยาทดีมากเรียบร้อยวันหนึ่งแกก็ขีม่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ซอยธรรมดาเนี่ยเป็นๆๆอะธรรมดาเนี่ยอีกคันหนึ่งสวนมาตรงบ ต, ตรงประสานงาปตายพอดีเลยตายคาที่ตรงนั้นเนี่ยคอหักตายเลยไม่รู้เผาศพหรือ ย, ยังไม่รู้ตอนนี้ตายเมื่อสองปีที่แล้วถ้าอยู่ก็ปัจันนี้ก็เกือบยี่สิบแล้วก็หวังใจว่าเปาไว้บวชหน่อยนะ แล้วก็บอกเดี๋วก็คงบวชอ่ะเขาก็คุยคําขวัญเข้ามาที่วัดประจําเลยทีนี้ตายนี้จากเลยพอตายปั๊บเนี่ยแม่เนี่ยร้องให้อยเขาดีเกินไปก็ว่างั้นไอ้ลูกที่ตายนี่ยดีเกินไปก็เสียใจร้องให้ถึงลูกทุกวันนี้ก็น้อยแม่เนี่ยง้อยคิดถึงลูกเมื่อไหร่ก็น้ําตาซึมโกงเขานะก็คือตาเนี่ยนึกคือหวังใจกับหลานคนนี้มากตานี่ยเขามีเก็บเงินเก็บทองไว้ไหนก็ไปซื้อทองไว้หมายใจไว้ให้หลานกัน หลานตายนี้จากเนี่ยคิดถึงหลานเมื่อไหร่น้ําตาก็าซึมนะะแต่เขาบอกว่าตาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาหลานไปเรียนใช่ไหมเสาร์อาทิตย์เนี่ยหลานจะมาแล้วตานี่จะรีบโผหาผลหมากราบไม้อะไรที่มีอยู่ในสวนนะเก็บไว้รอหลานเลยมีข้าวของมีอะไรก็ซื้อไวคอยหลานดีใจมากเลยนะหลานจะได้มาเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสพอเสร็จพอหลานได้เงยหวังใจอะไรไว้มากนะชายหนุ่มขนาดนั้นก็ยังตายเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นมรุตยูนี้พาเอานางกุมารีผู้มีรูปทรงงดงามตั้งอยู่ในปฐมวัยยังไม่ทันบริโภคโภกคสมบัติเลยทีเดียวก็ไปเสียอย่างนี้ย่อมยังความเศร้าโศกให้ตกอยู่บนมารดาบิดาอย่างใหญ่หลวงมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นไปเรียนหนังสืออยู่ที่วัดเรียกวัดเขาลูกช่างขณะที่กําลังเรียนหนังสือแล้วเขาก็มานิมนต์ว่าเออท่านท่านเดี๋ยวไปช่วยเรียกกรรมมาติการหน้าศพหน่อยนะประั้นเราก็ไปเราก็ชวนกันไปก็ไปนั่ง ก็เด็กนั้นอายุประมาณยี่สิบกว่ามาทํางานที่กระบินบุรีไปก็ระหว่างสี่แยกเนี่ยชนตายกว่าดีเนะี่ยอีกคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งไม่ตายแต่ก็เกือบตายกัปาลตายเลยนะอีกคนหนึ่งก็ตายอายุยี่สิบประมาณยี่สิบสองปีถ้าอยู่ตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนั่นก็เมื่อหลายปีก่อนนั่นก็ไม่มีอะไรมั่นคงสักอย่างเลยนะไม่มีนิมิตเครื่องหมายจริงๆเลยว่าเออลายมืออย่างนี้อีกสิบปีตายนะไม่มีสักอย่างไม่มีนิมิตเครื่องหมายพอที่จะบอกได้ แต่ว่าวันคืนผ่านไปผ่านไปเราทั้งหลายเนี่ยใครไม่ทํากรรมบ้างมีไหมไม่มีเนาะทุกคนเนี่ยมีแต่รอยบุญรอยบาปสิ่งที่เราทําคำที่เราพูดนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมีอยู่สองอย่างจิตไม่เป็นบุญก็เป็นเป็นบาปมันมีอยู่สองอย่างยืนเดินนั่งนองจิตไม่เป็นบุญก็เป็นบาปบาปนี้เป็นศัตรูหรือเป็นมิตรเป็นศัตรูที่มาในคราบของมิตรเป็นศัตรูแต่ศัตรูที่มีหน้าเหมือนมิตรมาก สภาพจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลเวลามันให้ผลนะไม่มีทุกใดเสมอไอ้ทุกที่มาจากผลแห่งบาปอากุศลเลยถ้าอากุศลบางอย่างอากุศลประเภทเคยดูหมิ่นเหยียดยามคนอื่นไว้นะเป็นปัใจจัยให้เกิดในตระกูลต่ําความเย่อหยิ่งจองหองพยองเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดในตระกูลต่ำไปเกิดในตระกูลต่ําเนี่ยโยมเอ้ทุกข์ที่สุดเกิดในคนไทยก็ ย, ยังชั่วหน่อยไม่ค่อยมีการแบ่งวันนะ เกิดอินเดียเนี่ยนะแม้แต่ตักน้ํากินนี่เขายังไม่ให้ตักน้ํากินเองเลยนะจะไปกินบอ่อน้ําเขายังไม่ให้กินน้ําบ่อเขาเลยเขาเนี่ยตักกรอกปากท้างบนเลยบางคนเนี่ยเห็นคนชาติตระกูลต่ำเนี่ยเดินผ่านมาต้องรีบเอาน้ํามาล้างตาถือว่าเป็นความสวยกว่านั้นจังไรมากอั้นบางคนเนี่ยที่เกิดในตระกูลต่ำเนี่ยตกต่ำยิ่งกว่าเดราชาเนี่ยเดราชานไปกินน้ํำก็ยังไม่ไล่แต่คนนี้ไปกินน้ําปั๊บเขาไล่ทันทีเลยชาติตระกูลเนี่ยมีความสําคัญมากถ้าชาติตระกูลยังไม่พอซัพย์อีก กว่จะทำมาหากินได้นี่คนชาติกูลไม่ดีสติปัญญาดีนี่หายากคนชาติตระกูลไม่ดีหัวดีๆีนี่หายากมากอันก็อาชีพการงานก็ต้องกระหวบทั้เงเหงื่อไม่ออกมาได้กินบางทีเหงื่อออกสมครั้งเลยยังไม่พอกินเลยทีแต่ยิ่งบางคนก็มีอพอในลักษณะนี้อีกมีลูกตังต้งเยอะมีหลานตั้งเยอะทำมาหาไม่พอกินอ่ะถ้าพอกินในข้อ ย, อยังชั่วหน่อยอไม่พอจะกินอีกอันความทุกข์ทรมานนี่มีมากมายยิ่งนะัก ขอเดชะพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐก็เมื่อเครื่องผูกคือบุตรภรรยาเกิดแล้วเครื่องผูกนั้นเป็นของตัดได้ยากด้วยเหตุนั้นข้าพเจ้าจะขอละกามและเย้าเรือนเสียก่อนทีเดียวบวชเสียในบัดนี้ขอให้พระองค์ทรงอนุ ญ, ญาตให้ข้าพระพุทธเจ้าบวชเถิดอาชาปารกุมานก็กล่าวอย่างนี้แล้วกล่าวต่อไปว่าขอท่านทั้งสองจงดำรงอยู่เป็นสุขเถิด ชราพยาธินะแก่เจ็บและก็ความตายรุกรานข้าพเจ้าผู้กำลังกล่าวอยู่สนทนาอยู่กับท่านทั้งสองอยู่ทีเดียวข้าพเจ้าขอกราบลาท่านทั้งสองแล้วก็พาบริวารมีโยดหนึ่งเป็นกำหนดไปสู่ฝั่งแม่น้ำคงคาทีนี้หัตถีปาละกุมางก็แสดงธรรมแก่น้องสมาคมที่มักบวชเนี่ยเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นวันรุ่งขึ้นพรามปุโรหิตก็นั่งในอาสนะในตาแหน่งของตัวเองนะ ก็เลยคิดว่าลูกของเราทั้งสี่คนเนี่ยบวชแล้วเหลือแต่เราแต่เพียงผู้เดียวเป็นเหมือนมนุษย์ต่อไม้เม อ, อเราก็บวชเหมือนกันลูกบวชหมดแล้วทําไงดีก็เลยปรึกษากับนางพราหมณีว่าดูก่อนแม่วาเสถิต้นไม้จะได้โวหารว่าต้นไม้ได้ก็เพราะมีกิ่งและใบชาวโลกเขาเรียกว่าต้นไม้ที่ไม่มีกิ่งมีใบว่าเป็นอะไรต้นไม้ไม่มีกิ่งไม่มีใบเลยเรียกอะไรเรียกต่อไม้ ทุกวันนี้เราเป็นผู้มีบุตรละทิ้งแล้วถึงเวลาที่เราจะบวชที่ขาจานแล้วได้เวลาบวชแล้วละ่ะนี่ถ้าลูกเขาไม่บวชเราก็คงไม่คิดบวชนะเนาะได้เวลาบวชแล้วครั้งนั้นพราหมณ์ปุโรหิตก็กล่าวอย่างนี้แล้วก็เรียกพราหมณ์หมื่นหกพันคนมาประชุมกันพราหมณ์ปุโรหิตก็เลยกล่าวกับพราหมณ์เหล่านั้นว่าพวกท่านจะทํายังไงพราหมณ์นั้นก็ย้อนถามว่าเออท่านอาจารย์จะทํำยังไงพราหมณ์ปุโรหิตบอกว่าเราจะบวชในสํานักแห่งลูกของเรา แล้วพราหมณก็บอกต่อไปว่านรกนี่จะเป็นของร้อนเฉพาะท่านผู้เดียวก็หาไม่เราก็บวช ด, ด้วยเหมือนกันโอ้ขนาดท่านเป็นอาจารย์ท่า น, นรกยังร้อนเลยแล้วพวกผมจะไปเก็บไว้ที่ไหนนั้นผมก็ร้อนเหมือนกันนั่นแหละผมก็บวช ด, ด้วยพราหมณ์ปุโรหิตก็เลยมอบทรัพย์แปดสิบโกนี้ให้แก่ภรรยาไปเธอเอาไปดูแล้วกันแล้วกันแล้วก็บวชไปสู่สำนักของหัติปาละหัตถปาละก็ยืนอยู่บนอากาศเขาได้อภิญญาก็แสดงฤทธิ์ให้ดูแล้วก็แสดงธรรม ทีนี้ตกความรุ่งขึ้นนางพรามณีก็เลยคิดว่าลูกสี่คนของเราก็บวชไปแล้วก็เลยคิดว่าเราก็จะบวชเหมือนกันแม้พรามสามีของเราก็บวชทิ้งทรัพย์ไว้แปดสิบกุทั้งตำแหน่งปุโรหิตก็ทิ้งเอาไว้ไปสู่สำนักของลูกเราผู้เดียวเท่านั้นจะทำอะไรได้เราก็จะไปตามทางที่ลูกของเราไปแล้วเหมือนกันแล้วนางก็นำเอาเรื่องในอดีตมาเป็นอุทาหรณ์ว่า นกกรเรียนทั้งหลายบินไปในอากาศได้คล่องแคล่วฉันใดเมื่อสิ้นฤดูฝนแล้วหง์ทั้งหลายพึงทำลายใยที่แมลงมุมทำไว้ไปได้ฉันนั้นบุตรและสามีของเราพากันไปหมดฉะนไหนเราจะไม่ปฏิบัติตามบุตรและสามีเล่าก็ลองดูเอถอะ้าลูกบวชมากๆเข้ามันอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะหม่ๆ่พ่อค้างวัดสักคืนหนึ่งดิว่าไม่ไปฮะนานๆเาพ่อไปค้างวัดสักคืนหนึ่งอะ นานๆเข้าพ่อไปสักอาทิตย์นึงเ อ, อ้ไปเหมือนกันนานๆเข้าหลายๆปีเข้าพ่ออยู่เดือนหนึ่งก็แล้วกันนะโอ้ได้เหมือนกันตอนนี้อยู่สามเดือนเนะี่ยอันนั้นโยมพ่อก็เข้าวัดเหมือนกันใหม่ๆก็ไม่เข้านะนานๆากา็เอาเรื่องเลยเพราะฉะนั้นนางพราหมณีก็เลยตกลงใจเออฉะไหนเราจักไม่บวชก็เลยบวชก็เรียกนางพราหมณีทั้งหลายมาแล้วก็ชี้แจงว่าท่านทั้งหลายจะทํายังไงกันพราหมณีนั้นก็ถามว่าข้าแต่แม่เจ้าและแม่เจ้าจะทํำยังไง นางพรามณีก็ตอบว่าเราจะบวชนางพรามณีก็เลยพูดว่าถึงพวกข้าพเจ้าก็จะบวชนางพรามณีก็สลับพวกขสมบัติพาบริษัทหนึ่งยอเป็นกำหนดไปสู่สำนักแห่งบุตรของตนทันทีฮาทีปาลกุมารก็นั่งบนอากาศแสดงธรรมแม้แก่บริษัทนั้นวันรุ่งขึ้นพระราชาก็เลยถามราชบุรุษปุโรหิตไปหน่อยอาหารปุโรหิตไปไหนไม่เห็นเข้าเฝ้าเลยวันนี้ เพื่อนไปไหนเนาะเพราะปุโรหิตเขาบวชเขาไม่ได้บอกใช่ไหมราชบุรุษคือทหารก็กว่าว่าแต่สมมุติเทพท่านปุโรหิตและนางพรามณีละทิ้งสมบัติพาบริวารของตนมีสองโยตเป็นกําหนดไปสู่สํานักแห่งบุตรชายทั้งสี่แล้วพะเจ้าค่ะเพื่อนของท่านออกบวชแล้วพะเจ้าค่ะเออถ้าเพื่อนบวชเราคิดยังไงดีถ้าเป็นเราคิดยังไงพระราชาก็เลยคิดว่าเออทรัพย์สมบัติที่ไม่มีเจ้าของก็ตกเป็นของหลวงอย่างนี้ สมบัตินี้ก็ตกเป็นของเราแล้วก็สั่งให้ราชบบลุนนี้ไปขนเอาทรัพย์สมบัติจากเรือนปุโรหิตมาทั้งหมดไปขนทรัพย์มาเพียบเออดีบวชได้ก็ดีทรัพย์นี้เป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวนะดีใจนั่งยิ้มแป้ทีนี้อัครามะเหสีของเท้าเถิดอ่ อ, อมเหสีของพระราชาก็เลยถามว่าเออพระราชาตอนนี้ไปทําอะไรอยู่นี่หายไปตั้งหลายวันแล้วทหารก็เลยกราบทูลว่าพระราชาเนี่ยสั่งให้ขนทรัพย์มาจากเรือนปุโรหิต เมษีก็เลยถามไอ้แล้วปุโรหิตไปไหนฟังข่าวว่าปุโรหิตพร้อมด้วยภรรยาก็ออกบวชแลว้วนางนี่ก็เลยคิดว่าเออสามีของเราเนี่ยช่า ง, งหลงไหลด้วยโมหะจริตให้ไปคนเอาทรัพย์สมบัติที่เหมือนคบเพลิงอันพรามปุโรหิตนางพรามณีแล้วก็ลูกของเขาละทิ้งเหมือนก้อนเขละที่เขาบ้วนทิ้งเอามาบรรจุไว้ในพระคังหลวงเราจะให้เท้าเธอทิ้งสมบัติเสียด้วยข้อเปรียบเทียบ นางก็เลยวางแผนจะสอนสามีทางอ้อมอย่างนี้แล้วก็รับสั่งให้คนเนี่ยไปขนเอาเนื้อสุนัขและเนื้อโคไปหาซื้อเนื้อโคเนื้อสุนัขมากองไว้ที่หน้าพลานดวงจัดแจงทางให้ตรงแล้วก็รับสั่งให้ขึงตาข่ายโดยรอบทีนี้แรงทั้งหลายเนี่ยเห็นเนื้อแต่ไกลก็โผล่ลงเพื่อที่จะกินเนื้อนั้นโผล่ลงมาเลยโฉบมาทีนี้ในจํานว น, นนั้นไอ้แรงที่มีปัญญารู้ว่าเขาขึงตาข่ายดักเอาไว้ ก็เลยคิดว่าเราจะกินเนื้ออิ่มหนักกายไม่อาจจะบินไปตรงๆได้คือจะบินขึ้นไม่ได้นะมีแต่บินเฉียงไปอย่างงี้เพรั้นบินขึ้นไม่ได้ะหมดเทดานบินไม่มีอันก็เลยว่ามันเราจะไม่กินให้อิ่มนะก็เลยคายสำรอกเนื้อที่ตนกินออกเสียแล้วก็โผบินขึ้นตรงไม่ติดตาขายเพราะตาขายล้อหมดเลยไอ้ส่วนแรงพวกที่โง่เขลาเบาปัญญาก็พากันกินเนื้อที่เหลือ แล้วก็ไปกินเนื้อไอ้ที่แรงที่เหลือสํารอกไอ้เอาใหญ่เลยยักเข้าไปในท้องอ่ะจนกายหนักก็ไม่อาจจะเหินบินไปตรงๆได้ก็พากันติดอยู่ในตาข่ายนั่นแหละราชบุรุษทั้งหลายก็เลยจับไอ้นกแรงเลยตัวหนึ่งก็เอาไปถวายพระเทวีนางก็เลยเอาแรงตัวนั้นไปสู่สํานักพระราชาขอเดชะมหาราชเจ้าขอเชิญพระองค์สเสด็จไปทอดพระเนตรกิริยาของแรงตัวหนึ่งชวนพระราชาไปดูแรงหน่อย ที่หน้าพระลานหลวงเทิดพระราชาก็เปิดพระแกแลคือเปิดหน้าต่างดูพอเปิดหน้าต่างก็มองเห็นก็กล่าวว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอเชิญทอดพระเนตรแร้งฝูงนี้เถิดพระเจ้าค่ะแล้วก็ตรัสว่าฝูงแรงเหล่านี้ครั้นกินเนื้อแล้วก็สํารอกออกเสียจึงบินไปได้ฝ่ายแร้งเหล่าใดกินเนื้อแล้วไม่สํารอกเนื้อออกแร้งเหล่านั้นก็ตกอยู่ในเนื้อมือของหมอมฉันข้าแต่พระราชา พรามได้ลายกามทั้งหลายออกทิ้งแล้วส่วนพระองค์นั้นกลับเอากามเหล่านั้นบริโภคอีกบุรุษผู้บริโภคสิ่งที่ผู้อื่นขายออกแล้วไม่พึงได้รับความสารเสริญเลยเอาแรงมาบอกโูถ้าเป็นพระราชาสมัยนี้กิ้ว์ต่างหาเลยนะนี่ดูถูกชั้นเนี่ยนะในพระราชาไม่คิดอย่างนั้นนะพระราชาก็บอกฟังคําแล้วก็เกิดเดือดร้อนใจขึ้นว่าพบทั้งสามเนี่ยปรากฏปะหนึ่งเนี่ยไฟลุกโผลหมดเลยนะ ยังถึงโอ้ยการมาพบรูปมาพบหาสาระแก่นสารไม่ได้สักอย่างเท้าเธอก็เลยเกิดความสลดใจรำพึงว่าควรที่เราจะสละราชสมบัติบวชเสียในวันนี้ทีเดียวแล้วก็ทรงเชิมเชยทวี TV ว่าดูก่อนพระนางปัญจารีผู้เจริญบุรุษผู้มีกำลังช่วยฉุดบุรุษทุพพลภาพผู้จมอยู่ในเปลือกตมขึ้นได้ฉันใดเธอก็ช่วยพยุงฉันให้ขึ้นจากกามได้ด้วยคาถา อันเป็นสุภาษิตฉันนั้นเหมือนกันแหละเออสาธุนะขอบใจนะที่ช่วยเตือนเนี่ยนะก็ขอบอกขอบใจกันใหญ่ครั้งพระเจ้าเอกูสารีตรัสอย่างนี้แล้วทรงมีพระราชประสงค์จะบวชทันทีขณะนั้นก็เลยสั่งอัมมาให้มาเฝ้าเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็ถามว่าท่านทั้งหลายจะทำอย่างไรอัมมาก็กราบทูลว่าขอเดชะพระ อ, องค์จะปฏิบัติอย่างไรพระเจ้าค่ะพระราชาก็ตอบว่าเราจะบวชในสานักของหัตถิปารกุมาด อามาเหล่านั้นก็กราบทูลว่าขอเดชะพระพุทธเจ้าค่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็จักบวชพระเจ้าเอกุสารีละทิ้งราชสมบัติในอนาเขตส2บสองโยตประกาศว่าผู้ใดมีความต้องการราชสมบัติก็จงยกสเสวตฉัตรขึ้นครองราชเถิดก็พาบริษัทแวดล้อมประมาณสามโยตไปยังสำนักของหัตถปาลกุมารหถปาลกุมารก็นั่งบนอากาศแล้วก็แสดงคำให้ฟัง ก็บอกว่าพระราชาเนี่ยสามารถที่จะสลัดราชสมบัติออกบวชเหมือนนาบขะห์ถีตัวประเสริฐสลัดเครื่องผูกไปได้ฉะนั้นประชาชนที่เหลืออยู่ในพระนครก็พาการประชุมไปยังประตูวังก็กราบทูลให้พระเทวีเนี่ยในนิเวศว่าก็พระราชาผู้กล้าหาญประเสริฐที่สุดกว่านรชนพอประทัยในการบวช และรัฐเสีมาไปแล้วขอพระนางจงโปรดเป็นพระราชาแห่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเถิดพระนางอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายคุ้มครองแล้วโปรดอนุศาส์เสรวยราชสมบัติเช่นกับพระราชาเถิดก็จะยกมหสีเนี่ยขึ้นเป็นพระราชาแทนพระเทวีได้ฟังคําอย่างนั้นก็กล่าวว่าก็พระราชาผู้กล้าหาญประเสริฐที่สุดกว่านรชนทรงพอพระไทยในบนรรพชาเพศ ละรัฐสีมาไปแล้วเราก็จักละกามทั้งหลายอันน่ารื่นรมใจเที่ยวไปแต่ในโลกผู้เดียวก็พระราชาผู้กล้าหาญประเส ร, ริฐกว่านรชนทรงพอพระไทยในบรรประชาเพศละรัฐศีมาไปแล้วแม่เราก็จักละกามทั้งหลายอันตั้งอยู่เป็นทองแถวแล้วเที่ยวไปในโลกแต่เพียงผู้เดียวการย่อมล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยก็ย่อมละไปตามลําดับ ละไปแล้วใช่ไหมจากเด็กเป็นวัยรุ่นจากวัยรุ่นเป็นคนผู้หลักผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เลื่อนเข้าไปสู่วัยชาราจากวัยชาราก็มีแต่สุดลงไปเรื่อยๆแม้เราก็จักละกามทั้งหลายอันน่ารื่นรมใจเที่ยวไปในโลกแต่เพียงผู้เดียวการทั้งหลายย่อมล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยก็ย่อมละไปลําดับแม้เราก็จักละกามทั้งหลายอันตั้งอยู่เป็นทองแถวเที่ยวไปแต่ในโลกผู้เดียว กาลทั้งหลายย่อมล่วงไปราตรีผ่านไปชั้นแห่งวัยย่อมละไปลําดับแม้เราก็จะเป็นผู้เยือกเย็นก้าวล่วงความคล่องทั้งปวงเที่ยวไปแต่ในโลกผู้เดียวการทั้งหลายมีเวลาเช้าสายบ่ายค่ำกับมุนกินไปเรื่อยใช่ไหมเมื่อกี้เช้านี้เพลนแล้วนะนาฬิกาบอกว่าเพลนแล้วท่านเอ้ยว่างั้นใกล้เวลาฉันแล้วทีนี้จากเพลนก็ไปเที่ยงจากเที่ยงก็ไปบ่ายจากบ่ายก็ไปสู่เย็นจากเย็นก็ไปสู่ค่ําจากค่ําก็ไปสู่ ยามต้นยามกลางยามสุดท้ายเรียกปัจฉิมยามก็ขึ้นมาเช้าวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปจากหลายๆวิเป็นหนึ่งนาทีจากนาทีเป็นชั่วโมงจากหลายหชั่วโมงก็เป็นกลางวันกลางคืนจากกลางวันกลางคืนเรียกว่าวันจากวันหลายๆวันเรียกสัปดาห์จากหลายๆสัปดาห์เรียกว่าเป็นเดือนจากหลายหายเดือนก็เป็นปีหลายปีเขาเรียกว่าทศวรรษรอบสิบปีจากรอบสิบปีสิบครั้งเรียกว่าศตวรรษ ถ้าหากว่ารอบหลายร้อยปีเรียกว่าสหัสวรรษแค่พันปีส่วนใหญ่จะพูดแค่พันปีเป็นหมื่นปีเนี่ยมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปวันเวลาก็กลืนกินสัตว์ทั้งหลายไปอย่างนี้เรื่อยไปพระเทวีก็เลยแสดงทำให้ฟังตอนหลังพนางก็ออกบวชพอพระนางออกบวชคนที่บวชเนี่ยเยอะขึ้นพระอินทร์ก็เลยสร้างที่พักให้เขาบอกว่าคนที่ไม่ออกบวชคือมีหนนะที่ไม่บวชก็มีนักเลงสุรา พวกนักเลงตุรานี่ไม่บวชสักคนเลยอดดีมงั้นบวชจะได้หมดจะได้เหลือเหล้าไว้กินเยอะๆพวกนี้ติดเหล้างอมเนยบวชไม่ได้พระราชานี่ก็ออกบวชพระราชาบ้านเมืองอื่นนี่ได้ข่าวว่าพระราชาออกบวชปุ๊บจะมายึดเอาบ้านเมืองเลยพอมาถึงเข้าเอ๊ะทำไมเขาออกบวชได้ไปดูที่เขาบวชยังไงกันไปก็ติดใจออกบวชตามออกบวชตามออกบวชอยู่ประมาณเจ็ดเมืองเพราะฉะนั้นในบรรดาคนเหล่านั้นพอออกบวช ที่พระ อ, อินทร์ก็สร้างที่พักดูแลอย่างเรียบร้อยหมดเรบอกว่าในคนเหล่านั้นเนี่ยนะแบ่งคนทั้งหมดออกเป็นสามประเภทในบริษัทที่ออกบวชทั้งหมดสองในสามเกิดในพรหมโลกสองในสามได้ชาญหมดเกลี้ยงเลยทีนี้ในส่วนที่สามแบ่งออกเป็นสามประเภทหนึ่งในสามนั้นไปพรหมโลกส่วนหนึ่งไปเกิดในกามาวจรสวรรค์บางคนเกิดจารุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีปรนินิมิตวัตตสวัสดีก ส่วนประเภทหนึ่งเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็สามตระกูลตระกูลกษัตริย์พราหมณ์และก็เครหาบดีในมนุษย์โลกคำสอนหัตถ์ตาละกุมานทำให้มหาชนเนี่ยปราศจากทุขตินรกพ้นจากนรกกำเนิดศัตว์เดราชานเปติวิสัยและอสุรกายด้วยประการชนีนันพระองค์ก็เลยตรัสว่าบุคคลควรทำควนขวัยในกรรมที่ดีพึงห้ามจิตเสียจากความชั่ว เพราะเมื่อคนทำความดีช้าไปใจจะยินดีในความชั่วคนเราจึงควรกระทำความดีโดยเร็วพันทีเดียวอย่าไปปล่อยใจให้มันไหลไปเป็นบาปเป็นอกุศลถ้าเราปล่อยจิตใจของเราเนี่ยไลหลไปในบาปอากุศลมากๆเข้ามันก็สามารถที่จะยังกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่ชั่วกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่ชั่วก็สามารถที่จะซัดไปสู่อาบายทุขติวินิบาตนรกไปได้ถามว่า ทำไมจึงมีนรกเพราะมีโทสะทำไมจึงมีเปรตพบของเปรตมีเพราะมีโลภะทำไมจึงมีพบภูมิของเดรฉ า, านที่มีเดรฉ า, านเพราะโมหะถ้าผู้ที่สำโรคราคะโทสะโมหะได้โดยไม่มีส่วนเหลืออบายทุคติวินิบาต์นรกก็เท่ากับปิดด้วยการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะ พันศาสนาของพระผู้มีพระภาคเป็นวินัยวินัยแปลว่ากาจัดกาจัดราคะกําจัดโทสะและกําจัดโมหะพระ อ, องค์ก็นำพระธรรมเทศนานี้มาตรัสว่าดูก่อนที่สู่ทั้งหลายแม้ในปางก่อนตถาคตก็ออกสู่มหาพิเนสกรมอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็ทรงประชุมชาดกว่าพระเจ้าเอกุสารีในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเจ้าสุโทธทนะมหาราชพระเทวีได้มาเป็นพระนาง มหามายาปุโรหิตผู้เป็นพ่อได้มาเป็นพระมหากระสปะนางพรามณีได้เป็นนางพัฒกาปิลาณีอาชาปาลกุมารคนเลี้ยงแพ้นะหรือเลี้ยงแกะเนี่ยก็มาเป็นพระอนุรุตะน้องคนเล็กสุดคนรองลงมาโคปาละกะได้เป็นพระโมคขลานะน้องใกล้ๆลงมาอีกก็เป็นอสะเลี้ยงมาก็เป็นพระสารีบุตรส่วนหัตถิปาลกุมารก็เป็นเราสถาคตบริษัทที่เหลือก็เป็น ผูทบบริษัทผู้ที่ติดตามสมัยนั้นก็ได้ดิบได้ดีของเราสงสัยได้เป็นลูกหลานบริษัทชุกนั้นแนหะแต่ลูกหลานห่างเหลือเกินเนาะไม่เป็นไรก็ยังเป็นเชื้อสายของท่านก็ยังดีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเจริญกุศลนั้นเราจะเห็นว่าผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเขาไม่ได้สะสมบุญกุศลไว้แต่เพียงชาติเดียวเขาสะสมประสบประการณ์มายาวนานเหมือนกับเราท่านทั้งหลายหลายคนที่นั่งอยู่นี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ล่วงการผ่านไว สะสมประสบการณ์แห่งชีวิตมามากสะสมมามากจึงได้ขนาดนี้การสะสมนั่นแหละทําให้คนคนนั้นเป็นผู้ที่น่าเคารพเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือฉัน้นใดในทางธรรมก็เหมือนกันผู้ที่สะสมบุญกุศลสะสมบา ร, รมีไว้มากการสะสมเหล่านั้นแหละจึงเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญทั้นการสะสมบุญเนี่ยเป็นไปเพื่อความสุขเป็นเหตุให้เกิดสุขสุขทั้งโลกนี้สุขทั้งโลกหน้า ผู้ที่สะสมบุญได้ถึงที่สุดก็จะได้สุขอย่างยิ่งคือพระนิพพาน<อ>มีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ออกบวชกลุ่มไหนรู้ไหมพวกนักเลงสุรานี่ไม่ออกบวชอยู่กลุ่มเดียวแค่นั้นเมาอย่างเดียวหรอพวกนั้นบวชจะได้ก็ดีจะได้มีเวลากินเหล้ามากขึ้นอย่างเงี้ยมีใครมากวนด้วยพวกที่เมาเลยไม่ออกบวชสักคนเลยก็เลยถามมันแน่พ่อนักดื่มทั้งหลาย ในเมืองนี้มีภัยเกิดขึ้นแก่พระราชาผู้เป็นเจ้านายของพวกข้าหรือนักเลงก็บอกไม่มีพระเจ้าค่ะกษัตริย์สามมนณฑลถามว่าพราะเหตุไรก็เลยทูลว่าข้าแต่พระองค์เตมียะกุมารผู้เป็นโอรสของพระราชาของพวกข้าพระองค์เห็นว่าจะครองราชสมบัติในกรุงพารณาณสีไปทําไมไม่ได้เป็นใบก็แสซงเป็นใบสเสร็จออกจากพระนคร น, นี้ เข้าป่าบวชเป็นฤาษีเพราะเหตุนั้นแม้พระราชาของพวกข้าพระ อ, องค์พร้อมด้วยมหาชนก็เสด็จออกจากพระนครนี้ไปสํานักของพระเตมียะกุมารบวชแล้วพระเจ้าสามมราชก็เลยถามว่าพระราชาของพวกเจ้าออกทางประตูไหนเมื่อเขากราบทูลว่าเสด็จออกจากประตูด้านทิศ ต, ตะวันออกก็ออกไปทางประตูนั้นเหมือนกันได้เสด็จไปตามฝั่งแม่นม้ําพระโพธิสัตว์นี้ทราบว่าพระเจ้าสามมราชก็ออกไปต้อนรับ แล้วประทับนั่งในอากาศแสดงธรรมแก่พระเจ้าสามมนตรราชนั้นพระราชาสามมณฑราชนั้นพร้อมด้วยบริษัททรงฟังธรรมแล้วก็บวชในสำนักของพระโพธิสัตว์แม้พระราชาอือ่นๆอีกสามองค์ก็ทิ้งราชสมบัติออกบวชอย่างนั้นนั่นแหละด้วยประการเชนนี้ประเทศที่ตรงนั้นได้เป็นมหาสมาคมช้างทั้งหลายก็กลายเป็นช้างป่ามา้ทาทั้งหลายก็กลายเป็นมา้าป่าแม้รถทั้งหลายก็ชำรุดสุดโซมไปในป่านั่นเอง พันดาเครื่องใช้สอยกหาปะนะเงินทองกเรียอะไรกราดเกลื่อนเหมือนสายที่ใกล้อสมมาสถานบนรรพชิตเหล่านั้นทั้งหมดทำสมาบัรแปดให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นชีวิตมีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแม้ช้างมาทั้งหลายก็เป็นสัตว์เดรัจฉานยังจิตให้เลื่อมใสในมูืฤษีทั้งหลายช้างมาเหล่านั้นก็ยังเกิดในสวรรค์เหมือนกัน ภาษาสดา ا น ن นำพระเทศนาแล้วก็มาตรักว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายมิใช่แต่ในบัตรนี้เท่านั้นที่เราละราชสมบัติออกบวชแม้ในการก่อนเราก็ได้ละราชสมบัติออกบวชเหมือนกันแล้วก็ประกาศอริยสัจประกาศสัจธรรมถึงความจริงของสัรพระสัตทั้งหลายที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏสิ่งที่สัตว์เหล่านั้นพ้นไม่ได้ก็คือชาติปิฏ ท, ท, ท, ทุกขาพ้นไหยชราปิฏฐุขามรนามปิฏฐุขังโสปะปริเทวะทุกขโทมนัตปุปายะ มีใครพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกความพิรัยรำพันความทุกข์กายความไม่สบายใจความคับแค้นใจมีไหมที่จะพ้นจากความทุกขเหล่านี้เมื่อไม่มีแล้วความทุกเหล่านี้คืออะไรก็คืออุปาทานขันห้านั่นแหละคือตัวตัวทุกข์นั้นอุปาทานขันห้าก็เกิดจากเหตุถ้าไม่มีเหตุอุปาทานขันห้าก็เกิดไม่ได้แล้วเหตุแห่งอุปาทานขันห้าคืออะไรโลภะ ก็คือตันหานั่นเองเป็นที่ยินดีเป็นที่เพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆโลภะหรือตันหาที่ยินดีเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆโลภะและตันหาอันนี้นั่นแหละเป็นต้นต่อเป็นต้นเหตุเป็นต้นเขาเป็นเบื้องต้นที่จะทําให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเกิดต่อไปอีกนานถ้ายังมีโลภะอยู่ไม่ต้องห่วงว่าไม่ได้เกิดแต่มันจะเกิดเป็นอะไรก็ตามสมควรแก่แก่กรรมที่ทําไว้ด้วยแล้วพระองค์ก็ประชุมชาดก เทพธิดาที่สิงสถิตยอยู่ที่สเสวตฉัตรในครั้งนั้นเป็นภิกษุณีชื่อว่าอุบลวลนาวนางอุบลวลนาเถรีเนี่ยชาติในพระเวสสันดรชาดกเกิดเป็นลูกสาวในชาติเป็นพระราชาบางทีก็เกิดเป็นแม่บ้างบางชาติก็เกิดเป็นเป็นผู้หญิงที่พระโพธิสัตว์เนี่ยรักมากโ อ, โอ้แทบเพ้อแทบคลั่งแทบเป็นบ้าพอไปเห็นนางคนนี้เหมือนกัน เออคนคนเดียวกันเนี่ยบางทีก็เกิดเป็นแม่เกิดเป็นลูกเกิดเป็นเพื่อนเกิดเป็นคนรักเกิดเป็นอะไรนักก็ไม่รู้เนาะในสังสารวัตรเนี่ยมันสับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยเนาะส่วนนายสุนันทสารธีเป็นพระสารีบุตรเท้าสักกะเป็นพระอานุท่มหาชนกชนนีเป็นมหาราชสกุลบริษัทนอกนี้เป็นพุทธบริษัทส่วนบัณฑิตผู้เป็นใบ้ เป็นง่อยเป็นเปรี้ยคือเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เองนี่เป็นเรื่องเหตุการณ์ในอดีตชาติที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีธรรมในขณะที่ทรงบำเพ็ญบารมีธรรมเนี่ยนะเหมือนชาวนานี่ยแหละขณะที่กําลังเพาะกําลังปลูกกาลังหว่านกําลังไถบางครั้งก็เหน็ดเหนื่อยอาบเหงื่อตามนาม้ำแต่ถ้าหากว่าประสบความสําเร็จได้เก็บเกี่ยวผลผลิตและสบา ย, ยใช่ไหมนอนกินไปได้อีกนั่งหลายเดือนนั้นคนที่สะสมบุญบารมีก็เหมือนกัน ยามเพราะยามปลูกยามรำมันก็มีปัญหามีอุปสรรคมีเครื่องร้อยรัดมีสิ่งที่มาขัดขวางในการเจริญการทํากุศลคุณงามความดีก็มีบ้างแต่ขอให้เรารู้เธอว่าอุปสรรคเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในโลกนี้กุหลาบไม่ได้มีแต่ดอกอย่างเดียวใช่ไหมกุหลาบมีน้ําอยู่ด้วยชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาจะไม่ให้มีภัยไม่ให้มีอุปสรรคได้อย่างไรฉะนั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนอุปสรรคเหล่านั้นมาเป็นโอกาสเปลี่ยนวิกฤตมาเป็น โอกาสได้ไหมถ้าเราสามารถเปลี่ยนได้เราก็สามารถที่จะเจริญกุศลเจริญคุณงามความดีในที่ทุกสถานได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถเจริญกุศลไม่สามารถที่จะเจริญคุณงามความดีได้ใครน่าสงสารที่สุดรู้ไหมเราเะนาะ